ใครจิตออกนอกบ้างจิตออกนอกก็ไม่แปลกหรอกหลวงปู่ดุลเคยสอนนะธรรมชาติจิตย่อมส่งออกนอกนี่พอจิตส่งออกนอกแล้วเราไม่มีสติจิตก็เพื่อเพิ่มหวั่นไหวไปด้วยอำนาจของกิเลสก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นในใจ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 เพราะกาเงื่อนไขของการบวชน้มันทำไม่ได้ซะแล้วมันไม่มีภิกษุณีสงฆนะ์ถ้าบวชมาก็คือเรียนแบบนะเรียนแบบภิกษุก็ร้อยหอลงไปเรื่อยๆนะจำนวนนี้ลดลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็เกิดวิกฤตศรัทธาควรจำนวนมากเลิกนับถือพระพุทธศาสนาแต่สังเกต น, นะพวกเราเนี่ยเดี๋ยวแน่นมากเลยไม่ว่าจะข่าว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 ศรัทธาของชาวโลกท่านเรียกว่าศรัทธาเหมือนกับหัวเต่ารู้จักเต่าไหมเต่าหน้ามีหัวโปรโปรโ ป, ป, ปเดี๋ยวก็งอกออกมาเดี๋ยวก็หุบเข้าไปเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าคนโบราณเรียกอย่างนั้นธรรมชาติปุถุชนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นแหนนนะและพวกเราเป็นปุถุชนก็จริงนะแต่เราเป็นปุถุชนที่ได้สดัศึรษาได้ลงมือปฏิบัติแล้วเราได้ริมรถธรรมะมาเป็นลําดับลําดับ เรารู้ว่าถ้ามีสติขึ้นมาเนี่ยมันดียังไงมีศีลขึ้นมามันดียังไงมีสมาธิขึ้นมามันดียังไมมงไรเรารู้ว่าเราแยกธาตุแยกขันธ์เป็นมันดียังไงเรารู้ว่าเราเห็นธาตุขันธ์แสดงไตรลักษณ์ได้มันดียังไงถ้าเราภาคเพียรทำไปเรามีความเชื่อมั่นขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแต่เดิมเราได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าก็เป็นอะไรที่จัต้องไม่ได้ มีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้นี่ยคนส่วนใหญ่เขก็รู้สึกอย่างนั้นบางคนก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นแค่นักปราศคนหนึ่งหรือเป็นทีมของนักปราศบางคนมองว่าพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกเป็นทีมของนักปราศ ช, ช่วยกันแต่งธรรมะขึ้นมาเนะี่ยสารภาพจะคิดเพราะอะไรเพราะไม่เคยศึกษาปฏิบัติธรรมจริงๆอย่างพวกเราถ้าได้ศึกษานะสติเราเกิดเี้เราไม่สงสัยหรอกว่าพระพุทธเจ้ามีไม่มนะีเมื่อวานก็มี สามีพันยาคู่หนึ่งนะอยู่ศรีราชาหลวงพ่อสอนเสร็จแล้วเข้ามาหาหลวงพ่อบอกว่าท่านสอนเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องสักคำหนึ่งสอนคำว่าสตาิมันแปลว่าอะไรไม่เคยได้ยินถามว่าเข้าวัดไหมบอกเข้าเข้าวัดที่เรียอะไรเก่งๆอ่ะนะเขาไม่เคยสอนให้มีสติเลยยิ่งงมงายยิ่งดียิ่งายเก่งนะเนี่ยมาถามเราว่าแล้วที่หลวงพ่อพูดเรื่องสติสติมันเป็นยังไง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 อย่างคนทั่วไปไม่มีสติหรอกสติเขาเป็นสติธรรมดาเป็นสาธารณะกุศลเรียกสาธารณกุศลกุศลธรรมดาทั่วๆไปแต่สติในระดับที่พวกเรามีเนี่ยมันคือสติปัฏฐานเปนสติะระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจถ้าเราทําสติปัฏฐานได้พระพุทธเจ้าท่านก็ฟันธงเลยบอกว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น ถ้าเราเจริญสติปัฏฐานอย่างเต็มกําลังเรานะบางคนก็เจ็ดปีบรรลุพระละหาันถ้าเจ็ดปีไม่บรรลุพระละหาันก็ได้พระอนาคาบางคนหกปีได้พระละหาันหรือพระอนาคาบางคนสามปีบางคนปีเดียวท่านบอกบางคนน้อยกว่านั้นอีกที่เจริญสติปัฏฐานบางคนแค่เจ็ดเดือนบรรลุพระละหาันหรือพระอนาคาบางคนเดือนเดียวนบางคนเจ็ดวันบางคนวันเดียวฟังแล้วลงมือปฏิบัติวันนั้นก็รบรรลุวันนั้นเลย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 เป็นกรรมอันหนักเลยนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกเห็นแล้วเหนื่อยแทนนะเหมือนสอนกายให้ขึ้นต้นไม้สลวงพ่อไม่เตียงหรอกแต่พวกเราไม่ใช่กายนะถ้าเป็นกไยเราก็ไม่ใช่กายขึ้นต้นไม้เราจะเป็นกายอยู่ในนา <S <S นเราอยู่ในที่ที่เหมาะกับเรา <S <S แล้วภาวนาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ทำได้ถ้ารู้หลักนะ การภอนาไม่จําเป็นต้องบวชหรอกในอนาคต พ, พิกษุนีไม่มีแล้วพิกสุอาจจะหมดไปเหนะลืออุบาสกอิปัสิกานี่แหละรู้หลักของการปฏิบัติลงมือปฏิบัติเราก็รักษาพระศาสนาไว้ได้พระศาสนาเาไไนะรนานรักษาเอาไว้ในใจของเราถ้าใจเรามีธรรมะแล้เรารู้เรารักพระพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นในพระธรรมว่าปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริง เรารู้ว่าพระสงฆ์มีจริงก็ฆร า, ารวาสนี่แหละจะเป็นพระสงฆ์ได้พระสงฆ์อย่างหลวงพ่ออย่างนเนี้ยเนี้ยใส่ผ้าอย่างนี้นะเรียกสมมุติสงฆ์น ะ, ะถ้าพวกเราภาวนาจิตเราเข้าถึงธรรมะแท้ๆเราเป็นสงฆ์ตัวจริงสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกผู้เชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วอะไรเงี้ยเป็นใครบ้างได้แต่บุรุษสี่จำพวก นโสดาสกตาคาอนาคาพระรหันไม่ได้บอกว่าบวชหรือไม่บวชนะเพราะคําว่าเป็นสาวกเนี่ยพวกเราเป็นสาวกได้นะเป็นสาวกเต็มภูมิได้แต่ยังหลวงพ่อเรียกว่าพิกขุท่านะนไม่ได้บอกสุปฏิปันโนพระคัมภีรโตพิขุไม่ได้บอกท่านไปใช้คําว่าสาวกพวกเรานี่แหละสาวกเนี่เราปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรเกตธรรม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 เมื่อไรศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาคือการเรียนเรื่องศีลการเรียนเรื่องจิตการเรียนเรื่องปัญญาเนี่ยแก่รอบจะเกิดปัญญาในอริยมรรคนะจะเกิดปฏินิปัญญาในองค์มรรคขึ้นมาล้างกิเลสได้อริยมรรคเกิดขึ้นเองอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองเมื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาของเราแก่รอบงนหน้าที่ของเราก็คือ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 เป็นสติระลึกรู้รูปนามโดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาอยู่เจือด้วยโลภะเจตนานะเนี่ยเป็นกุศลชั้นต่ําถ้ากุศลชั้นสูงเนี่ยไม่ได้เจตนาจะมีสติสติเกิดเองเรียกว่าอาสังคาริกังอสังคาริกังคือไม่ได้จงใจให้เกิดไม่ได้ชักชวนให้เกิดมันเกิดเองกุศลใดที่เป็นอาสังคาริกังเนี่ยไม่ได้จงใจให้เกิดแล้วเกิดได้เองเป็นกุศลที่มีกําลังแก่กล้า งั้นสติของเราที่ต้องฝึกนั่นคือสติที่มีกําลังแก่กล้าเราต้องรู้ว่าทําอย่างไรสติจะเกิดแล้วก็ทําสิ่งนั้นบ่อยๆสติจึงจะเกิดสติอยู่ดีๆก็ไม่เกิดหอกสติเองเขาเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดก็ไม่เกิดหรอกเห็นไหมสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เห็นไหมถ้าไม่มีสติขึ้นมาศีลสมาธิปัญญาเพาไม่มีศีล ส, สมาธิปัญญาไม่มีมรรคผลก็เกิดไม่ได้อีกเนี่มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลย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 เวลาจะได้มักฝนก็มีเหตุให้เกิดมรรคนละก็ต้องทําเหตุอย่างไฟจะไหม้เนะี่ยไฟจะไหม้ก็เพราะเหตุนะมีอุณหภูมิสูงมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนมีเหตุสมควรแล้วประชุมกันขึ้นมาไฟก็ไหม้ถ้าไม่มีเหตุไฟมันก็ไม่ไหม้อย่างไฟไหม้บ้านเอาน้ํ า, นาไปฉีด น, นะลดอุณหภูมิลงลดอุณหภูมิลงเหตุของไฟไม่มีไฟก็ดับนะไม่มีใครดับไฟได้นะที่ดับคือดับเหตุของไฟ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 นสติปัฏทานมีสองอันนะขั้นแรกให้มีสติขั้นที่สองให้มีปัญญานีวิธีให้มีสตินะเราไม่จาเป็นต้องรู้รูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหมดรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดมีจำนวนมากนะมีเยอะมากเลยนะสภาวะธรรมมีตั้งเจ็ดสิบสองตัวจำไม่ไหวดูไม่หมดเราเลือกเอาตัวที่เรารู้จักบ่อยๆคนไหนรู้สึกในร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวได้หายใจเข้ารู้สึกได้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 ตรงที่เรารู้ทันจิต ท, ที่หลงไปเรื่อยๆนะจิตจะจําสภาวะของการหลงได้แม่นต่อไปพอจิตหลงปุ๊บสติเกิดเองถามว่าใช้สภาวะอย่างอื่นได้ไหมได้เหมือนกันนะเช่นโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธไงโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธต่อไปเวลาโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องเจตนารู้ว่าโกรธก็รู้ได้เองเรียกว่าสติเกิดนะแต่ทําไมหลวงพ่อชอบสอนว่าจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้จิตไหลเป็นจิต ท, ทีม่มีโมหะ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 เรียนทำไมที่กก๊กก๊อกนะถ้าเรียนไม่ไหวจริงๆหรอกค่อยลดระดับนะมีให้ทุกระดับแหละแต่ว่าพวกเราหน้าตาดูไบแล้วเดี๋ยวนี้พอจะรู้ทันจิตที่หลงได้จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้อย่าไปห้ามมันนะให้เคลื่อนแล้วรู้อย่าไปห้ามว่าห้ามเคลื่อนถ้าห้ามเคลื่อนจิตจะแน่นถ้าจิตแน่นเป็นอกุศลสติไม่เกิดหรอกอกุศลมันเกิดจิตที่แน่นแเป็นโทสะมูลจิตจิตที่อึดอัดนะเป็นโทสะมูลจิต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 ตัวนี้แหละคือการเจริญปัญญาที่แท้จริงงั้นที่หลวงพ่อสอนบอก15นาทีให้พวกเราไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยเราจะได้ธรรมะจํานวนมากเราจะได้ธรรมะจำนวนมากเลยจิตเคลื่อนไปถ้าไม่รู้ทันราคาโทสะก็เกิดราคาโทสะเกิดแล้วราคาโทสะครอบงําใจได้ผิดศีลได้นะถ้ากิเลสครอบงําใจไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกแต่กิเลสมันจะเกิดได้ก็ ไม่รู้ทันแ ต, แต่มันเคลื่อ น, นถ้าจิตมันไหล amino, เรารู้ไหลเรารู้กิเลสเกิดไม่ได้หรอกกิเลสหยาบหยาเกิดไม่ได้ไม่ผิดศีลนะศีลอัตโนมัติจะเกิดแล้วจิตที่เคลื่อนไปเราเห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยจนสติเกิดเองเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บจิตจะตั้งมั่นมันไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้รักษาสมาธิจะเกิดไหสติก็ไม่ได้เจตนาให้เกิดศีลก็ไม่ได้จงใจให้เกิม shrink. สสมดใใกมันเกิดเอง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 เอางี้ดีกว่ากลับข้างใครไม่เห็นยกมือซิคนจำนวนมากเห็นก็ไม่ใช่ไม่เห็นก็ไม่ใช่นี่มันลูกศิษย์พวกเดรัลถีนะเขาเรียกว่ามีวาท้าแบบปลาไหลพลิกไปพลิกมาไอ้ น, นี้ก็ไม่ใช่ไอ้ น, นี้ก็ไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่สังอันหนึ่งนะอันนั้นเป็นลูกศิษย์เดรัลถีแล้วนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่ชัดเจนชัดเจน อันไหนถูกอันไหนผิดอะไรนี้ชัดเจนนะถ้าเราคนไหนนะเรารู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนได้แล้วกรรมฐานของเราก็คือทํากรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนอย่าบังคับให้มันอยู่นิ่งแค่นี้แหละศีล ส, สมาธิปัญญากเกิดได้ทุกอันเลยนะถ้าตรงนี้ไม่เห็นก็ลดระดับลงไปนะทํายังไงจะเกิดสติจิตเคลื่อนมองไม่เห็นจิตแบบไหนดูง่ายจิตโกรธ ด, ดูง่าย นะจิตโลภเนี่ยดูยากปานกลางจิตหลงเนี่ยดูยากที่สุดหลวงพ่อสตาร์ทก็เอาดูยากที่สุดเลยนะในฐานะที่พวกเราปฏิบัติมานานแล้วแต่คนไหนยังไม่เห็นจิตที่ไหลไปเนี่ยยังไม่เห็นโมหะ ก, ก็อย่าเสียใจนะเราดูจิตที่เรามีจริงๆที่เราเห็นจริงๆคนไหนขี้โลภบ้างเจออะไรก็อยากได้ตลอดเลยนะเห็นเมียชาวบ้านก็ชอบน ะ, ะเห็นอะไรก็ชอบเห็นเงินของเขาก็ชอบ ใครขี้โลภ บ, บ้างมีไหมอยากดูอยากฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้เรื่องราวสนุกสนานทางใจอยากทั้งวัดเลยความอยากนะั้จะเกิดขึ้นตลอดเลยนะวั น, ว, นวันหนึ่งเนี้ยนาทีหนึน่งก็เกิดหลายหนเมราะถ้าคนไหนขี้โลภเนะี่ยดูโลภได้ก็ดูใจที่โลภใจที่มีความอยากเกิดขึ้นหัดดูไปเรื่อยๆถ้าตัวนี้ยังไม่เห็นนะยังมีตัวช่วยดูจิตโกรธ จิตกโกรธเนี่ยดูง่ายที่สุดเพราะหยาบที่สุดคนไหนขี้โมโหยกมือเสนี่เห็นไหมขี้โมโหเยอะกว่าขี้โลบแต่พวกไม่ออกเสียงเยอะที่สุดนะเพราะนี่ประเทศไทยเป็นกลางไว้ก่อนนะคนไหนขี้โมโหก็ดูโมโหนะจิตกโกรธก็รู้จิตหายโกรธก็รู้ดูมันแค่เนี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะดูกราฟิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ จิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะใครมีโทสะจิตมันมีโทสะใครรู้ว่ามีโทสะจิตเป็นคนรู้ก็ <c oughs> ะจะเห็นว่าโทสมันมีอยู่จิตเป็นคนรู้เนเพราะงั้นเวลาโทสามานะเราก็เห็นโทสมาจิตเป็นคนดูอยู่ถ้าเห็นโทษามันไปจิตก็ยังเป็นคนดูอยู่แลเราก็รู้ว่าโทษากับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะมันก็แยกขันเป็นเหมือนกันไม่ยากหรอก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 ใครเป็นผู้แสดงตัวรูปเป็นผู้แสดงรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าแสดงจิตเป็นคนดูรูปยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูนะรูปมันแสดงรูปมันกินอาหารรูปมันขับถ่ายจิตเป็นคนดูนะรูปมันอาบน้ำรูปมันแต่งตัวรูปมันหวีผมจิตเป็นคนดูเนี่ยมันจะเห็นว่ามีรูปอันหนึ่งมีจิตอันหนึ่งโครานกันแค่นี้ก็พอแล้วไม่ถนัดดูรูปก็ดูเวทนา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 เวทนานุปัสสนานะเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเรียกเวทนานุปัสสนานจิตต า, านุปัสสนานะเราเห็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลเกิดดับไปเรื่อยๆจิตเป็นคนดูนะเรียกว่าจิตตานุปัสสนาส่วนธรรมานุปัสสนานะเห็นทั้งรูปธรรมเห็นทั้งนามธรรมาเกิดดับไปนะแล้วรู้เหตุรู้ผลด้วยไม่ใช่เห็นเกิดดับธรรมดาอย่างรู้ว่านิวรณ์แต่ละ ต, ตัวเกิดได้ยังไงนิวรณ์ทำยังไงถึงยังไม่เกิดอะไเนี่ยรู้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 ถนัดรู้กายก็เดินกายญานุปัสสนาหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรายืนเดินนั่งนอนรู้สึกก็เห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เห็นกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวมันก็หลงไปเดี๋ยวมันก็เป็นผู้เพ่งสารพัดจะเป็นเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงในกายในจิต อนี้เรียกว่าเราจเจริญปัญญานะด้วยการทําสติปัฏฐานนะไม่ใช่แค่ให้มีสติแล้วนะนี่ให้เห็นปัญญาละให้เห็นไตรลักษณ์ก็คือจเจริญปัญญาละดูเวทนานุปัสสนาให้ให้เกิดสติทําไงเวทนานุปัสสนาให้เกิดสติเช่นมีความสุขเกิดขึ้นเรารู้มีความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ ร, ร, รู้บ่อยๆต่อไปพอความสุขเกิดไม่ได้เจตนาจะรู้ก็รู้นี่เรียกว่าทำให้เกิดสติ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 นี่ยอย่างเนี้ยมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตมันจะเป็นเรามันจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายที่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยไม่ใช่เรานะไม่เที่ยงแต่จิตนี้เที่ยงตัวรู้นี่เที่ยงมันจะมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะนเวลาเห็นเนี่ยมันจะเห็นเป็นคู่คู่นะผู้รู้ก็คือตัวจิตสิ่งที่ถูกรู้อาจจะเป็นตัวกาย ตัวเวทนาหรือตัวกุศลกุศลก็ได้นะไม่นจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นที่กําลังแสดงอยู่นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกขเฟนานัตตาจิตที่เป็นคนดูนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกขเปนานัตตาอย่าไปรักษาให้มันนิ่งทื่อๆอยู่นะรักษาให้มันนิ่งทื่อๆอยู่ไม่เดินมีปััชนาจริงหรอกมันเห็นทุกสิ่งเลยเป็นอนิจจังทุกขังอ น, นัตตาแต่จิตนั้นมันเที่ยงอย่างนี้ไม่ได้นะงั้นแบบค่อยๆฝึกนะ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 หาวงพ่อฝากเราคงเสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเ <c oughs> นี่ยเขาช่วยกันทํานะมีทีมช่วยกันทําบางพวกก็บันทึกเสียงบางพวกก็ตัดต่อเสียงเสียงอู้อี้ไม่ชัดก็ตัดออกอะไรเงี้ยะเสียงตรงนี้เบาไปเขเร่งขึ้นอะไรนี้ยทําลําบากนะทายากคนก็ถ่ายวีดีโอบางคนก็ไปทําเว็บเนี่ยตอนนี้มีมูลนิธิคุณธนามูลนิธินี่เริ่มมาจากทำหนังสือทีดเดียวนะ ทำจากซีลอกหนังสือนิดเดียวเองอะล้วก็ทำได้เงินมาก็ไปทำหนังสือได้เงินมาก็ทาหนังสือทุกวันนี้มีเงินหมุนเวียนพอทำหนังสือแจกแจกไปหลายล้านแล้วนะซีดีก็แจกไปเป็นล้านแผ่นหรอมั้งวันก่อนใครบอกว่ามีเป็นล้านเลยมีเป็นล้านเนี่ยอยู่ตามยิ่งต่างๆมากมายไปอยู่หลังควายหลังช้างบ้างก็ไม่รู้นะไปฟังบ้างนะฟัง แลก็เนี่ยค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้ค่อยๆดูของเราถ้าเราพัฒนากุศนะลใดที่ไม่เคยเกิดกอจะเกิดกุศนะลที่เกิดแล้วก็เข้มแข็งขึ้นเช่นมีศีลดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นมีปัญญาแยกรูปนามได้ชำนาญขึ้นอ่นะกุศลเคยแรงเคยมีความเข้มแข็งมากอากุศนะนะลก็เริ่มอ่อนแรงลงเคยโกรธตั้งสามวันก็โกรธสั้น เคยโกรธหนักๆแบบเลือดขึ้นหน้าเลยโกรธฟรีดเลยเส้นเลือดในสมองแตกศัตรูไม่ตายตายเองนะอย่างนี้ก็มีนะโกรธมากไปนะนี่เราโกรธก็โกรดนิดๆหน่นอยๆนะโกรธพอให้รู้ว่ายังมีกิเลสอยู่นะดีนะอย่างนั้นอย่างดีบางคนนะ่ะภาวนาผิดนะใจว่างๆเลยบอกดิฉันไม่มีความโกรธแล้วนะโอะอาการหนักนะอาการหนัก ตอนหลวงพ่อบวดใหม่ๆนะอยู่เมืองการมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียนกับหลวงพ่อมาถึงก็นั่งใจลอยหลวงพ่อบอกเฮ้ยอย่าใจลอยสะบัดหน้าใส่หลวงพ่อ <c oughs> ดิฉันไม่เคยใจลอยเลยนะเาโอ้โหเราเห็นแล้วสยองมากเลยนะเราเห็นแล้วน่ากลัวมากเลยเธอบอกเธอไม่เคยใจลอยเลยนะทาไมเธอพูดอย่างนั้นเธอโกหกไหมไม่โกหกแต่เธอไม่เคยมีสติเลยต่างหาง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 ดูยังไงอันนั้นมันอยู่ในยีนนอยู่ในยีนเลยดูไม่ได้ดูไม่ได้จริงอะ่ะมันยากเกินเราก็มาดูของที่เรามีจริงๆเราก็ดูของจริงที่เรามีอย่างความโกรธเงี้ยเรามีจริงใช่ไหมอย่างหลวงพ่จะไปสอนพวกเราว่าเอานะทุกคนเข้าพระสมาบัติก่อนแล้วก็ทรงอยู่ในพระนิพพานชั่วครู่ถอยออกมาไม่สอนหรอก เาษานแล้วเราทําไม่ได้ใช่ไหมไม่มีประโยชน์เราเอาจากของที่เรามีจริงๆคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตโมโหไปจิตเป็นคนดูคนไหนขี้โลภ ก, ก็ดูจิตโลภไปจิตเป็นคนดูแต่ท่านแน่จริงนะรู้จิตหลงจิตไหลไปถ้ารู้ตัวนี้ได้นะรวบยอดเลยรวบยอดเลยเพราะว่าจิตจะรอบจิตจะโกรนได้ต้องไหลไปก่อนต้องหลงไปก่อนถ้าไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่โลภไม่โกลนหรอกนะนั้นเรารู้ตัวนี้ได้เะโ คล้ายๆจับศูนย์กลางของมันได้เลยปฏิวัติก็คือจับเอาหัวหน้ารัฐบาลได้เลยไม่ใช่จับเสมียนหน้าห้องรัฐมนตรีเลยคนหนึ่งมานะอย่างนันสู้กิเลสแบบท้ายแถวมากไม่ชนะหรอกถ้าอยากชนะเนขะ้าใจกล้าๆหน่อยจับก็จับหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรไม่อยู่ที่อื่นเรา อ, อยู่ในใจเรานี่แหละมันพาเราหลงหัวหน้าโจรคือตัวโมหะแต่หัวหน้าโจร น, นี่มีทีมนะ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 ถามจริงๆใครไม่รู้เรื่องยกงมือให้หลวงพ่อดูใครไม่รู้เรื่องมีหนึ่งคนเคยฟังซีดีไหมฟังแล้วนะฟังมานานเท่าไหร่นานมากเหรอโอยอย่างนี้ต้องเรียนพิเศษ <laughs> <laughs> อยอาไปคิดนะบางคนอะฟังเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ภาวนานไม่ได้แต่มีน้อยนะมีน้อยมากเลยมันมีสองจาพวก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 รู้รูปรู้นามไปทีแรกเร า, ารูปเกิดเรารู้ทันนามเกิดเรารู้ทันรูปหายไปก็รู้นามหายไปก็รู้รู้อย่างนี้เรามีสตินะไม่ลืมกายไม่ลืมใจต่อไปก็มีปัญญาเห็นในรูปนี้ไม่ใช่เรานามนี้ไม่ใช่เรานะอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญางั้นธรรมะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดโกรธเป็นไหมโกรธเป็นโกรธเก่งไหม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 บอกให้รู้รูปรู้นามรู้รูปรู้นามสิมันนิ่งอยู่อย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติอ่ะบางคนมันนิ่งน่ากลัวนะเนี่ยมันรังจิตเข้ามานะมันจะดุมากเลยดูน่ากลัวบางคนก็ทำจิตละทดละทวยคิดว่าสงบกระอ่อนละทวยเหมือนกันนีนะ <c oughs> <c oughs> ไอ้นั่นเรียกสลบนะธรรมาที่อย่างนั้นอย่าไปเอา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 เทวดาบางทีก็ไม่รู้นะถ้าเทวดาไม่เคยเจริญสติปัฏฐานโกรธก็ไม่รู้เหมือนกันแหละมันพูดไหลรมั่วๆตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะตอนสอนแรกๆเนี่ยสอนบวชสอนกว่ายิงจริ ง, รงประเภทบวชกระถิงนะสอนอย่างนี้มันแวง่งอย่างนี้สอนอย่างนี้นแว่งอย่างนี้มาถึงวันนี้ไม่ค่อยมีละพวกนั้นศูนย์พันไปหมดละเหลือแต่พวกเราเนี่ยค่อยฝึกค่อยฝึกไปนะตั้งอกตั้งใจนะพวกเราเป็นคนส่วนน้อย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 มันก็โอ้ดาลายลามะบ อ, อกไม่ใช่ซะหน่อยมันเห็นพระนะมันเรียกดาลายลามะหมดเลยนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าดาลายลามะเขาเก่งจริงใช่ไหมพูทธมหายานนะเขาเผยแผ่ได้พูดอย่างเราเขาไม่รู้จักนะงั้นพุทธแท้ๆที่เที่ยงตรงสืบทอดคําสอนพุทธเจ้ามาจริงๆนะยิ่งน้อยหนักเข้าไปใหญ่มีมากๆก็เมืองไทยเมืองเมืองพมา่าเมืองลังกาอะไรเนะย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 นะมีน้อยพุดส่วนหนึ่งพุดตามประเพณีอีกนะพวกหนึ่งพุทธลมๆแรงๆไม่รู้หรอกว่าพระทเจ้าสอนอะไรวันๆคิดแต่ว่าพระองค์ไหนจะให้หวยเก่งนะจะไปมุดใต้ทุนโบสถ์ไหนเราจะขลังจะเหงชีวิตจะสะดาะเคราะห์อะไรเนี้ยนี่วันบ่ายอีกคิดอย่างนี้นะจะไปนอนโรงศพวัดไหนดีที่จริงต่อไปก็ได้นอนไม่ต้องรีบนอนหรอกหรือนะจะนอนเสือนะ อย่างนี้ก็บอกว่าพูดเหมือนกันใช่ไงนพูดจริงๆนะที่จะรู้เรื่องของอริยสัจเรื่องสติปัฏฐานเรื่องไตรลักษณ์เรื่องขันห้ารูปนามอะไรนีมีไม่มากหรอกนะมีน้อยเต็มทีเลยทุกวันนี้ก็มีแต่เรื่องข่าวไม่ดีใช่คนซึ่งไม่ใช่พูดอยู่แล้วเนี่ยพอได้ข่าวพระทมไม่ดีนะยิ่งไม่นับถือใหญ่นะตอนนี้เกิดกระบวนการไม่ใส่บาต ไม่ใส่บาตรต้องไม่ชอบพระวัดหนึ่งพระอีกทั้งประเทศอดข้าวทำไงดีต้องไปสู่พวกวัดที่ร่ำรวยนะเพื่อจะได้มีข้าวกินน่ะยิ่งไปกันใหญ่นะบางทีเราไปต่อต้านพระต่อต้านมั่วมัวยิ่งผลักพระไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะต้องระวังนะพระมาพระออกมาระดมคนไปฆ่ามุสลิมนะ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 ต่อไปพวกเราเนี่ยแหละเราอาจจะได้เกียรติประวัตินะได้เป็นชาวพุทธคนสุดท้ายของโลกแต่โลงพ่อหวังนะว่าอย่างน้อยเราถ่ายทอดออกไปให้ได้อีกสักรุ่นหนึ่งก็อย่างดีหรอกนะตั้งใจศึกษาปฏิบัติเข้าจนเรารู้เรารู้เนี่ยว่ามันวิเศษขนาดไหนคำสอนของพระเธ้เจ้าดีจริงขนาดไหนทำคนที่กิเลศหนาปัญญาหยาบอย่างพวกเราให้พ้นทุกข์ขึ้นมาได้ทุกข์น้อยลงได้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 แต่เดี๋ยวนี้บางทีก็ดูนะบางทีก็ไม่สอนเหมือนกันสอนได้ก็สอนสอนไม่ไหวก็ถอยเหมือนกันบอกไปฝั่งซีเดีเอาแล้วเวลาส่งกันบ้านนะสังเกตให้ดีนถะถ้าคนไหนหลวงพ่อโอนะสแสดงว่าอินสียยังอ่อนนะถ้าคนไหนโดนโขกแรงๆเนี่ยสแสดงว่าแข็งแล้วชักจะเก่งเดี๋ยวจะรู้ลอะอะ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 อารู้ไปจิตขนณะนี้มีกําลังไหมก็มีบ้างเพราะว่าพยายามจะทําแบบที่หลวงพ่อเคยสอนว่าเวลาหลับตาแล้วก็มองไปที่ช่องว่างตอนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะพยายามจะทําลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วรัรู้สึกว่าได้มองเห็นสภาวะการไหลของจิตได้ดีขึ้นนะจิตถึงฐานไหมตอนนี้ปัจจุบันไม่ถึงตอนนี้ น, นี้ ไ, ไม่ถึงนะถ้าไม่ถึงให้ใช้ได้วันนี้แรงยังไม่พอเพราะว่าตื่นมาเร็ว นะมัอยงงวงเหยนี้หน่อยดูออกไหมรู้สึกไหมว่าไม่ค่อยมีแรงหรือตอนเนี้แรงเยอะแล้วไม่ไม่เยอะครับไม่เยอจะแับไม่ไม่เห็นสภาวะก็ไม่ชัดหลงไปบ่อยมากครับถูกต้องแล้วแต่นี้ใช้ได้นะไปทําต่อเนี่ยหลวงพ่อตรวจกันบ้านบางคนงงตรวจอะไรอหลวงพ่อเช็คว่าเห็นสภาวะถูกต้องหรือเปล่า เห็นสภาวะถูกแล้วเห็นสภาวะแสดงใจรักได้ก็จบแล้วล่ะการปฏิบัติการปฏิบัติก็มีแค่นั้นนะเดี๋ยวผมมีคำถามอีกกองนึงครับเวลาจิตเห็นใจรักเนี่ยครับจิตต้องอยู่ในปฐมฌานหรืออะไรไม่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงในคณิกาสมาธิก็ได้นะไม่จะเป็นนะคนซึ่งไปเจริญปัญญาในฌานมีน้อยนะมีน้อยต้องชำนาญในฌานแล้วต้องชานาญในการดูจิต นะต้องได้สองอย่างนี้นะถึ ง, งจะได้เจริญมีปรัสนาในฌานได้อย่างถ้าเราเห็นรู้สึกเป็นขณนะขณะเนี้ยเราใช้แค่คณิกาสมาธิพระอรหันต์ส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้นะไม่ใช่ทรงฌานมาก่อนหรอกรครับนรัตมาสการครับกราบนรัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเคือว่าเวลาเห็นความกโกรธนะคะตอนกโกรธก็เห็นนะคะแล้วก็เห็นจิตที่ไปรอดูอะคะ่ะ ไม่มันไม่ยังยังไม่เห็นตอนดับอะค่ะเหมือนรอดูว่าเมื่อไหร่จะหายโกรธแล้วเดีย๋ยวเราจะได้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้อค่ะให้รู้เอานะอย่าไปรอดูอย่าไปเฝ้ามัน ม, มันเป็นของมันเองถ้ามันเป็นเอ ง, เเองก็ให้รู้ว่ากําลังไปรออยู่นะให้รู้ทันห้ามมันไม่ได้เนี่ยแล้วบางทีพอเห็นคนที่โกรธเนี้ยพอเมตตาขึ้นมาเนี้ยแล้วก็เห็นจิตที่แบบเ อ, อไม่ชอบไม่ยังยังไม่อยากเมตตาอะไรก็อย่างนี้ก็มีอะค่ะเออเมตตาไม่จริงหรอกงั้น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 เสร็จให้ได uh, uh, ้สมาธิมากกว่านี้หน่อยไงการเห็นสภาวะน่ะเห็นได้ช่ําชองแล้วใช้ได้สภาวะอะไรเกิดนี้รู้ได้ชัดดีแต่ตัวสมาธินี่ยังอ่อนไปหน่อยหนึ่งแต่ยังฟุ้งซ่านไปกราบค่ะทุกคุณค่ะกราบนมรสการค่ะวันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกนะคะฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเกือบเกือบปีอะค่ะค่ะก่อนอื่นขอกราบหลวงพ่อนะคะแล้วก็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 อ่ะรู้นิดนึงเอาไหลไปอีกแล้ว ค, คือคือมันจะได้อย่างละแว บ, บแว บ, บแว บ, บะค่ะแต่ว่าเวลาปฏิบัติงานอะไรทํางานนะคะส่วนใหญ่จะไหลเวลาทํางาน<ะ>ที่ต้องคิดไม่ใช่เวลาภาวนาหรอกทาไม่ได้หรอกนะแต่สติจะเกิดดีตอนเวลาขับรถอะค่ะเพราะว่าจะฟังซีดีหลวงพออ่อด้วยสติเกิดใช้ได้นะอย่าให้จิตรวมกันแล้วเดิน<ะ>บางคนไปดูดูนะจิตรวมปุ๊บเลยเห็นไฟแดงแล้วไม่ไม่แปลไม่แปลความหมายนะคะ งั้นเวลาขับรถเนี่ยสติมากหน่อยจะพยายามไม่ไม่ให้จิตรวมเลยอย่าให้จิตรวมไปค่ะที่ปฏิบัติมานี้เป็นยังไงบ้างคะเขาฝึกเอานะแล้วก็รู้ทันกิเลสกิเลสตัวไหนยังแรงอยู่เขารู้เอาดูออกไหมตัวไหนค่ะเวลาโกรธค่ะนั่นแหละค่ะเวลาโกรธเนี่ยจะรู้เลยว่าโกรธแล้วความโกรธก็จะค่อยๆดับเมื่อก่อนนี้จะโกรธแบบนานมากตอนี้เลยนะไม่เข้าขั้นอาฆาต แต่เดี๋ยวนี้ก็จะแบบว่าพอโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วก็บอกว่าเออโกรธไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมันก็จะดับไปเองค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับมัน <Yeah. S 2> ค่ะไปดูอย่างนั้นดูอย่างเป็นกลางนะก็ะะตั้งใจไว้ะค่ะว่าจะปฏิบัติตลอดชีวิตนี้โอ้สาธุชอบมากเลยแล้วก็ตั้งใจไว้นะคะจะมากราบถวายการปฏิบัตินะคะเป็นพุทธบูชากับพระรัตนตรัยกับหลวงพ่อนะคะ การหลวงพ่อประโมทโประโมทโชแล้วก็กับคุณพ่อคุณแม่นะคะขอถวายเป็นพุทธบูชานะคะอาจาริย่บูชาค่ะสาธุสาธุขอบพระคุณนวัสการหลวงพ่อนะครับผมปฏิบัติอาณาปณสติครับแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันก็ทำมาสักพักแล้วครับหลวงพ่อครับอยากจะขอแนวทางหลวงพ่อครับว่าใช้อนาเลอาณาปนสติครับหายใจเห็นร่างกายหายใจไหมหรือว่าไปดูลมหายใจ บางครั้งก็เห็นร่างกายหายใจบางครั้งก็บางครั้งก็กลายเป็นสมถะไปครับหลวงพ่อลองทําให้หลวงพ่อดูซิลองทำอานาปานสติที่เคยทําอย่าไปบังคับจิตนะอย่าน้อมจิตใช้จิตธรรมดาเนี่ยจิตที่สบายสบายรู้ได้รู้ตัวสบายสบายเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าด้วยจิตที่สบายสบายนะแล้วถ้าจิตหนีไปก็รู้อย่างเมื่อกี้จิตอยากพูดความอยากพูดมันผุดขึ้นมา แล้วก็รู้เอานะงั้นหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปอย่างนี้เราก็ดีครับหลวงพ่อครับแล้วความกลัวครับมันเป็นโมหะชนิดหนึ่งใช่ไหมครับอะไรนะความกลัวครับความกลัวเป็นโทสะเป็นโท ส, สะเหรอครับอ่คือผมรู้สึกว่ า, วาทุกครั้งที่ผมเวลากลัวเนี่ยมันไม่ไม่สดชื่นรู้สึกไหมจิตใจไม่สดชื่นเมื่อ ไ, ไหร่จิตใจไม่สดชื่นเรียกว่ามีโทมนัตเวทนา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 เพราะนั้นถ้าความรู้สึกกลัวรุนแรงมันก็ครอบงำจิตเราก็าหัดดูกายดูใจเรื่อยๆไปมันกค่อยอ่อนกําลังลงเรากลัวเพราะว่าเรารักในใกายในใจนี้มากนะนี่พอเราดูกายดูใจเห็นความจริงของกายของใจมากเข้ามากเข้าวความรักมันลดลงความกลัวมันก็จะลดลงเมื่อเราเห็นความจริงของมันแล้วหลวงพ่อมีอะไรชี้แนะเพิ่มเติมไหมครับอย่าไปดูเดือดกับการปฏิบัตินะนะนะอย่าไปรุนแรงกับการปฏิบัติ รื้แดงกระจิตตนเองไปเอ็นดูมันบ้างนะคับอกราบน้ำมัสการโยมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกแต่ได้ฟังซีดีหลวงพ่ออยู่ครั้งหนึ่งค่ะรู้สึกว่ามีหลวงพ่อสอนสภาวะเกี่ยวกับการเจริญบัสนากรรมฐานที่พอจะเข้าใจได้เพราะว่าโยมปฏิบัติมาก็พอสมควรแต่ได้ทิ้งทรมาประมาณเกือบ10ปี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 มีแต่รู้อย่างที่มันกาลั ง, งเป็นต้องกำหนดรู้ใช่ไ้มเจ้าค่ะไม่ใช่ไ ม, ใชไม่มีคำว่าต้อง<ะ>ถ้าต้องมเมื่อไหร่ล้วก็ไปใช้ความรุนแรงกับจิตแล้วให้เรารู้อย่างสุขว่าความโกรธเกิดขึ้นใจเราโกรธดูแล้วไม่หายอย่าไปอยากหายน ะ, ะให้รู้ว่าใจไม่เป็นกลางต่อความโกรธให้รู้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าต้องหายโกรธน ะ, ะให้รู้ว่ากาลังโกรธอยู่แล้วความโกรธนี้แรง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 ที่เกิดสภาะดูต่อเนื่องเท่าที่ดูได้ทุกขณะจิตดูไม่ได้ดอกอไม่งั้นจะจะกลายเป็นนั่งจ้องมีหน้ายมหพงไปติดขัดอยู่เลยมันจ้องอ่าใช่มันจ้องมันเฝ้าไว้ทั้งวันเลยอ๋ออันนี้อันนี้หลวงพ่อทำหน้าให้ดูสังเกตหน้าหลวงพ่อ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 แล้วก็เป็นกําหนดน่ะก็จงใจทําใช่ไหมอ๋อค่ะเพราะโยมกําหนดนั่นแหละโยมถึงได้ทื่อๆอยู่อย่างนั้นอ๋อติดมานานมากเลยหลวงพ่อเป็นปีอ่ะมันไม่ดีเลิกไหมไม่ต้องเสียดายก็เป็นบุญของโยมที่ได้เจอหลวงพ่อวันนี้อะย่างตอนนี้ตั้งใจมานานแล้วตอนนี้ล็อกอีกแล้วอทื่อๆอีกแล้วใช่ไใช่ใช่ถ้าทื่อๆเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นจาไว้นะอะให้คนอื่นบ้างสาธุ กับมาเทการหลวงพ่อเหรอคะทีฉันเพิ่งเริ่มมาติเริ่มทําปฏิบัติมาได้สัก3เดือนนะคะเริ่มจากการที่เขาบอกให้ภาวนาพุทโธก็จะพอเริ่มภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆพอภาวนาไปเรื่อยๆแล้วมันก็มันก็จะเหมือนกันนิ่งขึ้นก็จะไปภาลพุทโธมันหายไปเขาก็ภาวนาพุทโธหายไปเองเราก็ให้ดูลมหายใจก็ดูลมหายใจมันก็จะมีพอดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวก็จิตก็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 ดูครับิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแต่จะทําได้ตอนที่ที่นั่งภาวนาจะทําได้แต่พอเราพอเราไปทําชีวิตประจํำวันเนี่ยเหมือนกับไม่รู้ตัวเลยไม่เหมือนกับว่าจะมีทําได้เฉพาะตอนที่นั่งภาวนาเท่านั้นนะคะเออเขนั่งบ่อยๆหน่อยนั่งบ่อยๆอย yeah. ที่ฝึกอยู่ตอนนี้เข้าท่าแล้วนะพุทโธไปแต่ตอนเนี้สงสัยทราบไหมสงสัยเพราะว่าพอพอุทโธ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 การปฏิบัติเป็นพุทธบูชาให้กับพระพุทธศาสนาในทุกพุทธกาลรสมัยครับพร้อมขอถวายแด่พระอาจารย์ปาโมทครับแล้วก็ทุกดวงจิตที่อยู่ในวัฏจักรศาสรทั้งหลายให้มีส่วนร่วมและได้รับในบุญกุศลของข้าพเจ้าครับสาธุโยมภาวนาตามที่หลวงพ่อสอนมาเขาปีที่เจ็ด โยมยังไม่เคยถวายการปฏิบัติกับหลวงพ่อเลยโยมขอถวายการปฏิบัติกับหลวงพ่อค่ะเป็นพุทธบูชาค่ะแล้วก็เมื่อคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกให้โยมดูตัวที่ว่ามันอยากจะพลนพ์นไปเห็นไหมเห็นค่ะแล้วก็ให้ดูว่ามันยังเกียดสภาวะอยู่นิดนิดแต่ไม่เป็นไรหลวงพ่อทเตือนไวอ้อย่างนี้ให้ดูด้วยความเป็นกลาง ขนาดนี้ดูได้มันก็จะสบายนะค่ะขนาดนี้ก็ยอมรับมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนํำให้โยมทำต่อไหมคะได้ทำต่อแหละค่ะนะแต่ว่าในรูปแบบไม่ทิ้งนะค่ะทาไปสบายๆค่ะอย่างเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ทําให้จิตสงบจิตเลยหรอกทาเป็นเครื่องอาศัยของจิตไปค่ะโยมไม่เคยทําให้สงบอะคะ่ะถ้าจิตมีเครื่องอาศัยอยู่จิตจะได้มีแรงค่ะ แล้วขนาดอิยมพอมีแรงไหมคะขนาดอิโยมพอมีแรงไหมคะแรงมันยังตกเก่งอยู่แรงยังตกเก่งอยู่ใช่ไหมคะมันฟุ้งเก่งฟุ้งใช่ไหมค ะ, ะมค่ะนี่เราคล้ายๆแบตเตอรี่เรายังไม่ค่อยดีน ะ, ะเราต้องชาร์จบ่อยหน่อยค่ ะ, ะมันก็ยังชาร์จบ่อยก็คือทําในรูปแบบไปมีเครื่องอยู่ไปค่ะ <ไป S 1> ตั้งแต่ป่วยเยอะๆเนี่ยคะ่ะในรูปแบบ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 ยังไปกดสิ uh huh. ได้ลองนั่งให้หลวงพ่อดูสิอย่างนี้ไม่ถูกนะมันไปรวบจิตเข้ามาตั้งแต่แรกแล้ว uh huh. ยิ้มหวานก่อนยิ้มแต่มันยังตื่นเต้นดูอกไหม uh huh. อยอย่างนี้ยังทำไม่ได้ uh huh. ใช้ใจที่ธรรมชาติใช้ใจที่ธรรมดานะแล้วก็ทำกรรมฐานไปด้วยใจที่ธรรมดาอย่างนั้นสบายค uh huh. ก็คือต้องทําอะไรเพิ่มเติมเองไหมัะหควงพ่อทสม่ำเสมอค่ะทําไปเรื่อยๆนะมันดีขึ้นแล้วละ่ะค่ะขอบพระคุณค่ะของคุณที่ส่งกันบ้านแต่เกียบโมหะแทรกไหมนั่งสมาธิมีโมหะแทรกนะเนี่ยรู้ทันเราถ้าเราหลับตาแล้วโมหะแทรกเราก็เพิ่มความรู้สึกตัวลืมตาให้มาก็ได้รู้สึกรู้สึกนะพอแจ่มใสดีแล้วหลับใหม่ก็ได้นะ ไม่ันเดี๋ยวเราไปชแช่กับโมหะกล่าวนมัสมการหลวงพ่อค่ะปกติหนูก็ทำโดยการดูลมค่ะแล้วก็ดูอากุศลแล้วก็ละอากุศล น, นะคะแล้วทีนี้เนี่ ย, ย ม, <อ>ง ม, มงนงนนะคือมองเห็นโกรธโลบแต่ฟุ้งซ่านนะคะทั้งวันเลยมองไม่ทันไม่ทราบว่าสมาธิไม่เพียงพอหรือเปล่าอะค่ะไม่<อ>ใช่หรอก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 ดูเหมือนเห็นคนอื่นโลภดูไปสบายๆเพราะนาะให้มันมีความสุขน ะ, ะดูสบายๆแล้วตัวฟุ้งซ่านนะคะหลวงพ่อต้องใช้สมาธิมากกว่า น, นี้ถึงจะดูเห็นหรือเปล่าคะฟุ้งซ่านต้องบริกรรมช่วยนะย่าพุทโธพุทโธก็ได้จะบริกรรมเมตตาคุณาอรหังเมตตาก็ได้น ะ, ะแล้วเวลาหนูดูลมเนี่ยหนูไม่ทราบว่าทําถูกต้องหรือเปล่าอา้าวดูสิดูแรงไป เอาใหม่ขยายความรู้สึกลืมตาขึ้นมาก่อนยิ้มหวานแลนะใช้ใจอย่างนี้นะอย่าไปเปลี่ยนจิตนะให้ใช้ใจที่ธรรมดาอางนี้ยเห็นร่างกายหายใจอย่าดูที่ลมนะรู้สึกทั้งร่างกายเห็นร่างกายนี้หายใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนว่าให้ไปจ้องไว้ที่ลมนะาบอกว่าภิกษุทั้งหลายเที่าวคูบันลงังตั้งกายตรงดำลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครหายใจออกร่างกายหายใจออก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 กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้ไม่ได้มีข้อสงสัยเรื่องอะไรเพราะว่าจะมากราบเรียนหลวงพ่อว่าจากการที่ปฏิบัติเนี่ยรู้ได้เลยว่ากายใจเนี่ยมันทุกน้อยลงออทุกๆวันทุกน้อยลงแล้วก็เมื่อมีทุก์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีหลักที่จะพาไปได้ออก็เลยตั้งใจว่าจะขอกราบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาออสังฆบูชาหลวงพ่ อ, อ, อแล้วก็ทีมงานทุกๆคนค่ะได้เห็นผลประโยชน์จากการปฏิบัตินี้มาค่ะสาธุสาธุ เมืทีมงานชื่นใจกินได้นอนหลับเลยตอนนี้ทำงานหนักมากนะเงินเดือนก็ไม่มีไม่ได้อะไรสักอย่างแย่ยังตามหลวงพ่อหลวงพ่อไปเทศที่นู่นที่นี่นะพวกนี้แบกกล้องตามไปขับรถไปเองนะข้าก็ไปหากินเองน่าสงสารแต่ความจริงต้องอนุโมทนาหมดยังนำมสัสการคครับหลวงพ่อครับ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 ความรู้สึกเด่นก็รู้ความรู้สึกพอใจมันเฉยๆก็เห็นร่างกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะส่วนการทำสมาธิเนี่ยต้องทำควรทำนะเวลาทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินปัญญาตลอดทำให้ใจได้พักผ่อนได้สงบว้างจะดีนะเพราะว่าถ้าเราทิ้งสมาธิไป น, นานๆใจจะฟุ้งซ่านจะไม่มีแรงนะสมรถาก็ทานะทาให้ได้ทั้งสองอย่างของคุณทำได้สองอย่างครับอเง ค, ครับ ครับออลำดับสุดท้ายก็จะขอโอกาสทุกท่านเป็นตัวแทนทุกท่านในสาลากล่าวคาถวายทานนะครับน้อมใจตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายาธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินเหยาวาฬิวหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวะเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังก ป, ปา ฉันโธปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสปีติโยวิวัตชันตุสัพรโรโววินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังบุทาปจายโนจตารโธรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ ภานานะไม่เจอกันสงเดือน